วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่ญาติโยมว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัดกันเพราะเห็นว่าการมาวัดจะเป็นประโยชน์แก่ทางจิตใจเพราะที่วัดมีสิ่งที่จะเสริม ความสุขความเจริญให้แก่จิตใจถ้าไปที่อื่นจะไม่ได้ความสุขความเจริญทางจิตใจจะได้ก็คือความสุขชั่วคราวความเจริญชั่วคราวแต่ถ้ามาวัดจะได้ความสุข ความเจริญที่ถาวรที่แท้จริงที่จะติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้มีอายุไขอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีหรือประมาณร้อยกว่าปีแต่ก็ต้องตายไป ส่วนใจที่เป็นผู้สั่งการสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราหาสิ่งต่างๆหาความสุขต่างๆที่เป็นความสุขชั่วคราว เราก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้อะไรที่เป็นความสุขชั่วคราวก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราหากันอยู่เป็นส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลา5้าหกวันที่ผ่านมาเราก็ไปหาลาบยศสรรเสริญ ปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่มันก็เป็นความสุขช mà, ั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องหามาใหม่หามาเติมอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องหาเงินทองกันอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆ ไปดูไปฟังสิ่งที่เราอยากดูอยากฟังไปดื่มไปรับประทานสิ่งที่เราอยากดื่มอยากรับประทานไปซื้อข้าวของต่างๆที่เราอยากได้ของเหล่านี้เป็นของชั่วกราวเวลาร่างกายตายไปเราเอาของต่างๆที่เราหามา ได้นี้ไปไม่ได้เลยเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็เอาติดตัวไปไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานมียศอะไรต่างๆก็เอาไปไม่ได้มีรางวัลต่างๆเกียรติบัตรเกียรติคุณต่างๆก็เอาไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เอาไปไม่ได้เพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้วของเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์เอามาให้ความสุขกับเราได้แต่ใจของเรานี้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรา <c oughs> ยังหาความสุขได้ยังมีความสุขได้ถ้าเรา รู้จักหาความสุขที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้นี้เป็นสิ่งที่เรามาหากันเวลาที่เรามาวัดกันมาวัดแล้วเราจะได้ยินได้ฟังวิธีหาความสุขแบบ ท้าบนความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วความสุขนี้เราเรียกว่าบุญบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทำกันหมั่นสร้างกันเพราะจะให้ความสุขกับใจ ทั้งในขณะที่มีร่างกายและหลังจากที่ไม่มีร่างกายก็ยังมีความสุขต่อไปได้ถ้าเราสามารถที่จะสร้างความสุขได้อย่างเต็มร้อยเต็มที่ความสุขเราก็ความสุขเต็มร้อยเต็มที่นี้ ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่การที่เรามาเกิดมีร่างกายกันเพราะใจเราไม่มีความสุขเราเลยต้องอาศัยความสุขผ่านทางร่างกายพอร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ จากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่ผลิตร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็ไปครอบครองแล้วก็อยู่กับร่างกายนั้นพอร่างกายนั้นคลอดออกมาเราก็ใช้ร่างกายนั้นเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อพอเราโตขึ้นมาเราก็ไปหาเงินหาทอง เพื่อที่เราจะได้ใช้เงินทองไปคือซื้อความสุขต่างๆต่อไปแต่เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่เราไปเที่ยวกันกี่ครั้งกี่ครั้งความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวแต่ละครั้งมันก็หายไปหมด เราจึงต้องกลับไปเที่ยวใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะซื้ออะไรมาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อใหม่นี่คือวิธีการหาความสุขชั่วคราวของพวกเราเพราะพวกเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่ถาวรความสุขที่ถาวร น, นี้ เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้ยินได้ฟังวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะเป็นของเราไปตลอด ถ้าเราสามารถหาได้อย่างเต็มที่ความสุขในระยะแรกๆที่เราหามันก็เสื่อมได้แต่มันจะอยู่นานกว่าความสุขที่เราได้จากทางร่างกายแต่ความสุขที่เราหาเพื่อทางจิตใจนี้ ถ้าเรารักษาถ้าเราหาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะกลายเป็นความสุขที่สมบูรณ์ถ้ามันเป็นความสุขที่สมบูรณ์แล้วมันจะไม่หมดไปจากใจมันจะอยู่ไปกับใจไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราจะไม่ต้องกลับมามีร่างกายกันซ้ำแล้วซ้าอีก ร่างกายที่เรามีนี่มากมายกายกองถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราได้มาเกิดมามีร่างกายกี่ครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเพราะทุกครั้งที่เรามาเกิดนอกจากที่เรามีความสุขกันแล้วเราก็ยังต้องมีความทุกจากการมาเกิด เรายัางต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียกับการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราเอาน้ําตาที่เราได้หลั่งในแต่ราครั้งที่เรามาเกิดถ้าเราสะสมรวบรวมมาไว้ในขวดหรือในถ้วย ถ้าเรามารวมกันของทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดน้ำตาที่เราหลังนี้มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูกันละกันว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มันมากขนาดไหนเราจะต้องร้องไห้กันมากขนาดไหนต้องมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กันกี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวน พบชาติของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายของพวกเราที่เราทำกันมาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราจาไม่ได้พอเราตายจากชาตินี้ไปพอเรามาเกิดใหม่เราก็ลืมชาติก่อนไปเราลืมว่าก่อนที่เรามาเกิดนี้เราเคยมีร่างกายอย่างนี้มาก่อน เคยเป็นเด็กทารกเคยเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายมาก่อนเคยร้องหม่มร้องไห้มาก่อนเราลืมไปหมดเราไม่รู้เลยว่าเรามีพบเราเคยมาเกิดเราเพียงแต่รู้ว่าเรามาเกิดเรามีร่างกายแล้วเราก็มุ่งไปสู่การหาความสุขเพียงอย่างเดียว ไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่าเหล่านี้เคยมาเกิดหรือไม่หรือว่าเรามาเกิดเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเราไม่รู้ความจริงเหล่านี้เราไม่สนใจสิ่งที่เราสนใจก็คือวิธีหาความสุขให้กับเราที่เราเคยถนัดวิธีหาความสุขที่เราถนัดก็คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน เราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิน่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายสัมผัสกับความนุ่มความแข็งความร้อนความเย็นเข้ามาทางร่างกายเราก็พุ่งไปที่ตรงการหาความสุขเหล่านี้กันโดยที่ไม่รู้ว่า เป็นการหาความสุขแบบชั่วคราวกันเป็นการหาความสุขที่จะต้องหลังน้ำตากันเพราะสิ่งต่างๆที่เราหากันบุคคลต่างๆที่เราหากันมาให้ความสุขกับเราเป็นความสุขเป็นสิ่งชั่วคราวมาพบกันแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาจากกัน เศร้าเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวก็ไปหาสิ่งใหม่หาบุคคลใหม่เพราะเราอยู่โดยปราศจากสิ่งต่างๆไม่ได้เหมือนกับร่างกายนี้อยู่ปราศจากลมหายใจไม่ได้ร่างกายนี้ต้องมีลมหายใจอยู่ทุกเวลาการลมหายใจเมื่อไหร่ นั่งกายก็จะตายไปทันทีใจก็เหมือนกันใจอยู่ปราศจากความสุขทางตาหูจะบุกลิ่นกายไม่ได้ใจก็เลยต้องคอยหารูปเสียงกล่นรถผลทพะมาเสบมาสัมผัสอยู่เรื่อยๆเหมือนกับลมหายใจเข้าออกเวลาได้มาก็ดีใจมีความสุข แต่สิ่งต่างๆที่เราหามาได้มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันจากเราไปพอเวลาที่เราต้องจากกันเวลานั้นเราก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่เราต้องมีทั้งความสุขและมีทั้งความทุกข์ สลับกันไปสลับกันมาเพราะความสุขที่เราต้องการที่เราหาได้มันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองพอมันหมดมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่ไม่มีวันจากเราไป เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบใหม่หาความสุขที่จะอยู่กับเราเพราะเป็นความสุขที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความสุขใจที่เป็นความสุขที่ถาวร น, นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจา้าการที่เราจะหาความสุขใจได้เราก็ต้องหยุดหาความสุขทางร่างกายหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดการหาความสุขด้วยเงินทองด้วยข้าวของด้วยสิ่งต่างๆเราต้อง เอาเวลามาหาความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ก้าวของเงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงเกียรติรสพุพธะไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรายังใช้ถ้าเรายังหาความสุขผ่านการใช้เงินทองอยู่เราก็ต้องหยุดเช่นถ้าเรายังไปเที่ยวกันอยู่ ยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาสัมผัสเราก็ต้องหยุดการหาความสุขแบบนี้ถ้าเราอยากจะใช้เงินหาความสุขก็ให้ใช้เงินหาความสุขแบบที่จะเป็นความสุขที่อยู่กับใจเราไป นานหรือถาวรก็คือให้เราเอาเงินมาทําบุญทําทานแทนถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองอย่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟืยอยไปซื้อของที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพถ้าจาเป็นจะต้องใช้เงินก็ใช้เพื่อการดํารงชีพ อ, อันนี้ไม่ไม่เป็นโทษะ ไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจนะถ้าเราเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆใช้เพื่อให้เราเกิดความสุขมันจะเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดถ้าซื้อยาเสพติดนี่มันจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราไม่สามารถที่จะมีเงินซื้อ ยเสพติดมาได้เราก็จะทุกทรมานใจและเราอาจจะต้องไปกระทำบาปเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาซื้อของตามความอยากวิธีที่เราจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆก็คือเอาเงินทองที่จะซื้อ ของตามความอยากนี้มาทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานนี้เรียบเหมือนกับการซื้ออาหารให้แก่จิตใจถ้าเราเงินทำบุญทำทานมาซื้ออาหารให้กับจิตใจด้วยการทำบุญทำทานจิตใจก็จะมีความอิ่มเหมือนคนที่ได้รับประทานอาหารก็จะมีความสุขทางร่างกาย ไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารคนที่เสพแต่ยาเสพติดก็จะมีแต่ความสู้ผอมนั้นก็อาจจะตายไปได้การทำบุญทำทานนี่เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจเพราะจะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาจะทำให้ระ ง, งับความอยาก ที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ระงับความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นต่างๆได้อันนี้ถ้าเรามีเงินทองแล้วอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองก็ควรใช้ไปกับการทําบุญทาทานอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ไปกับการเลี้ยงดูร่างกาย แล้วถ้าเรายังพอจะแบ่งไว้ก็แบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งไว้สำหรับวันข้างหน้าเก็บสำรองไว้เผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้เราไม่สามารถหาเงินทองได้เราก็ยังมีเงินทองสำรองไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราต่อไปส่วนจิตใจเราก็มาหาความสุข ทางใจกันนอกจากการทำบุญทาทาน น, นี่หมายถึงในกรณีที่เราอยากจะใช้เงินถ้าเรามีเงินอยากจะซื้อความสุขขอให้เราซื้อด้วยการทำบุญทาทานเพราะจะเป็นเหมือนซื้ออาหารให้กับใจอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขด้วยการทซื้อทําตามความอยากต่างๆอยากดูอยากฟังอยากไปเที่ยว อย่าใช้เงินทองตามความอยากเพราะจะเป็นเหมือนกับการซื้ อ, อยาเสพติดมันจะทาให้เราเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะทาให้เราต้องคอยหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้มีเงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเราเอาเงินทองมาทำบุญทำทานเราจะ หยุดความอยากซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อเราไม่หาเงินมากเราก็จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนอกจากการทำบุญทำทานแล้วอย่างมีความสุขทางใจ ที่เกิดจากการไม่ทำบาปการทำบาปนี้จะทำให้ใจเราทุกข์กันทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราวุ่นวายถ้าเรารังับการทำบาปได้ใจเราก็จะเย็นจะสบายเ ห, เหตุที่เราทำบาปกันก็เพราะว่าเราอยากได้สิ่งต่างๆแล้วถ้าเราไม่สามารถ ซื้อมาได้หามาได้ด้วยเงินทองเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเงินทองพอที่จะซื้อแต่ความอยากเรายังอยากได้อยู่มันก็จะทําให้เราต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทําบาปไปช่อโกงไปลักขโมยไปหลอกลวงเพื่อที่เราจะได้เอาเงินทองมาซื้อของตามความอยากต่างๆมันก็จะทําให้เรา ไม่สามารถมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขเพราะการทำบาปนี้จะทำให้เราทุกข์กันถึงแม้ว่าเราได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่สิ่งที่เราอยากได้มานั้นมันจะให้ความสุขเราชั่วคราวเท่า น, นั้นชั่วขณะที่เราได้มาพอได้มาแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราอยากได้มันก็หายไป แต่ความทุกข์ที่ได้มาจากการทำบาปนี้มันไม่หายมันจะอยู่กับใจเราต่อไปมันจะทำให้เราไม่สบายใจหวาดกลัววิตกกังวลแล้วถ้าเราถูกจับก็จะต้องไปรับโทษต่อไปอีกอเราจึงต้องมารักษาศีลกันถ้าเราทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆการรักษาศีลจะง่าย เพราะเวลาเราทำบุญเนี่ยเราจะมีความเมตตาเราจะอยากให้คนที่เราทำบุญด้วยมีความสุขงานที่เราทำบุญก็เพราะเราเห็นผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาด้วยการทำบุญทำทานพอเขาได้รับความช่วยเหลือเขาก็มีความสุข เราก็มีความสุขเวลาที่เราเห็นเขามีความสุขจากการกระทําของเราเราก็จะไม่อยากจะไปทําอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเราก็จะไม่เวลาเราก็จะไม่ทําบาปกันเวลาเราอยากได้อะไรต้องการเงินทองถ้าเราไม่สามารถหามาโดยวิธีสุจริตเราก็จะไม่ไปหาโดยวิธีทุจริต เราก็ยอมอดดีกว่ายอมอดแต่เราจะไม่เดือดร้อนมากถ้าเราเป็นคนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาเราทำบุญเรามีความอิ่มใจสุขใจความอยากใช้เงินใช้ทองนี้มันจะลดน้อยลงไปมากมันก็จะไม่มีความกดดันที่จะมาบังคับให้เราต้องไปหาเงินด้วยวิธีทำด้วยการทำบาปนะเราก็จะสามารถรักษาสีนได้ เมื่อเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายมีความสุข <S <S 1> <S 1> แล้วพอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะสามารถเพิ่มเป็นศีลแปดได้ทําไมเราจึงต้องรักษาศีลแปดเพราะว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขใจมากขึ้นที่ถาวรที่ยาวขึ้นไปเราจําเป็นจะต้องอ รักษาศีลแปดเพราะศีลแปดจะทาให้เรามีเวลามาสร้างความสุขทางใจให้สมบูรณ์ให้ครบเต็มร้อยคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการภาวนานั่งสมาธิจเจริญวิปปัญญาเรียกว่าการภาวนาสมาธิกับปัญญาจะเกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนา สมถะภาวนาคือการเจริญสมาธิวิปัสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาทำไมเราจึงต้องมีสมาธิและมีปัญญาเพราะสมาธิและปัญญานี้จะเป็นผู้ผลิตและรักษาความสุขของใจให้มีเต็มร้อยและให้อยู่กับใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลนี้มันยังมีวันเสื่อมได้แต่ความสุขที่เราได้จากการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วรักษาความสงบของใจด้วยปัญญาจะทำให้เรามีความสุขที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อม ที่จะไม่มีวันหมดแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงการบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะรักษาศีลได้เราก็ต้องทาบุญให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ชอบทาบุญเราจะรักษาศีลยากเพราะถ้าเราไม่ชอบทาบุญก็แสดงว่าเรา ชอบใช้เงินไปซื้อของต่างความอยากต่างๆจึงไม่อยากจะทำบุญเสียดายเงินเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายดีกว่าแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นการทำให้ใจของเรานี้มีความอยากมากขึ้นไปไเรื่อยมีความหิวมากขึ้นไปไเรื่อยมีความต้องการมากขึ้นไปไเรื่อยจึงทำให้เราต้องดิ้นรนหาเงิน อยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าวาัดกันไม่มีโอกาสที่จะมาฟังเทศฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือทำขั้นต่างๆที่สนับสนุนการปฏิบัติของแต่ละขั้นขึ้นไป ถ้ายังทำบุญทำทานไม่ได้นี่จะหาเวลามารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ถ้าเราทำบุญทำทานได้เราจะลดความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวนั้นได้จะทำให้เราไม่ต้องอหาเงินหาทองมาก จะทำให้เรามีเวลาว่างมีเวลาเข้าวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้นี่ก็คือเบื้องต้นเราจะต้องหาเวลาให้กับเราด้วยการลดการหาเงินใช้เงินลดการใช้เงินทองลงไป ใช้เงินกับของที่จำเป็นของที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่อันนี้จำเป็นจะต้องมีเพื่อเลี้ยงดูร่างกายร่างกายต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะหาเงินมามากกว่า น, นั้น เอาเวลามาหาความสุขทางใจดีกว่าเพราะการหาเงินก็เป็นการหาความสุขชั่วคราวนั่นเองหาความสุขผ่านยาเสพติดการใช้เงินนี้เหมือนกับการหาความสุขผ่านยาเสพติดเศพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอจะต้องเสพไปเรื่อยเอยนี่ยพวกเราเสพติดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านชาติแล้ว ที่เรามาเกิดนี่ก็เพราะเราติดรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะกันภภภภภเป็นเหมือนยาเสพติดตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่ภภาพะใหม่ตอนนี้เราอยากจะหยุดวิการหาความสุขแบบนี้หยุดการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องหยุดใช้เงินไปในทางนี้ เรายัางต้องหาเงินอยู่เพราะว่าเราต้องมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็หาเงินเฉพาะเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอมาหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็แบ่งเวลามาหาความสุขทางใจกันเช่นถ้ามีเงินเหลือมากกว่าที่เราจะใช้กับเลี้ยงดูร่างกายเราจะเอามาทาบุญทาทานก็ได้ หรือเราจะเก็บสำรองไว้สำหรับวันข้างหน้าก็ได้แต่อย่าเอาไปใช้กับความอยากทางตาหูจมูกเลี้ยงกายเพราะว่ามันจะทําให้เราต้องใช้เงินทองมากเราจะทําให้เราต้องหาเงินทองมากเราจะทําให้เราไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจกันนั่นเองแต่ถ้าเราหาเงินทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราจะมีเวลา ก็เราไม่ต้องหามากเราก็จะได้มีเวลามารักษาศีลกันมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันนี่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เราได้รับความสงบได้รับความสุขทางใจคือขั้นต้นเราต้องฟังเทศฟังธรรมธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็สอนวิธีสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ทางใจเราจึงต้องฟังถ้าฟังแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเราต้องทําบุญทําทานเราต้องเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากต่างๆ เอามาทำบุญทำทานหรือเอามาเก็บไว้ก็ได้ถ้าไม่อยากทำอยากจะเก็บไว้สำรองไว้สำหรับอนาคตก็ได้ถ้าทำบุญก็จะได้ประโยชน์ทำให้มีความสุขใจแต่อย่าเอาไปใช้กับความอยากทางตาหูจมูกนิก้วกายเพราะมันจะทำให้อยากไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีวันอิ่มวันพอ เราจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจนั่นเองอ น, นี่คือข้อที่หนึ่งทำไมเราต้องทำบุญทาทานทำบุญทาทานเพื่อหยุดใช้เงินไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดจะทำให้เราติดและจะทำให้เราต้องหาเงินหาทองมาแบบไม่มีวันหยุด ก็จะไม่มีความพอแล้วมันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจนั่นเองถ้าเรามีเงินทองให้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจอย่าใช้ให้มันเกิดโทษใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้กับปัจจัยสี่หรือใช้กับการทำบุญทาทานหรือเก็บสารองไว้ในโอกาสไว้เผื่อวันข้างหน้า ที่อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราอาจจะต้องมีเงินทองไว้สำรองไว้เพื่อดูแลร่างกายของเราต่อไปอันนี้นี่คือหน้าที่ของการทําบุญทําทานเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหาเงินมากเราจะได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาเข้าวัดกันมาศึกษา วิธีสร้างความสุขทางใจนอกจากการทำบุญแล้วเราก็ต้องรักษาศีลเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลเราจะมีความทุกข์ใจแทนที่จะมีความสุขใจนั่นเองเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายใจเราจะมีความวิตกกังวลเหมือนกับมีแผล เวลาใครมาแตะแผลมันจะเจ็บนะแต่ถ้าไม่มีแผลนี่เวลามีอะไรมาแตะมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บเวลาเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเราจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำความไม่สบายใจก็จะไม่มีใจเราจะเย็นจะสบาย ไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปของเราเพราะเราไม่ได้ทำบาปนั่นเองแล้วเมื่อเรามีความเราสามารถรักษาสีหน้าได้เราก็จะสามารถเพิ่มขึ้นอีกสามข้อได้จากเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาใช้กับการภาวนา มาใช้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขให้ใจแบบสมบูรณ์แบบเต็มร้อยความสุขใจนี้จะสมบูรณ์จะเต็มร้อยนี้จะเกิดจากการที่เรามาเจริญจิตตภาวนามาทำใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาแล้วก็มาสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา เพราะจำเป็นจะต้องมีภาวนาทั้งสองระดับนี้เพื่อที่จะทำให้ความสุขใจนี้อยู่คู่กับใจไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้ามีเพียงแต่สมาธิอย่างเดียวความสงบความสุขใจที่ได้จากสมาธิก็ยังมีวันที่จะเสื่อมหมดได้สาเหตุที่ความสุขใจที่เกิดจากความสงบนั้นเสื่อม ก็เกิดจากความอยากที่ยังมีอยู่ในใจนั่นเองเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาเวลาใดความสงบนี้จะถูกทำลายขึ้นไปทันทีเปรียบเหมือนกับน้ำที่นิ่งสงบเนี่ยจะหายนิ่งถ้ามีใครโยนก้อนหินลงไปในน้ำพอโยนก้อนหินลงไปในน้ำน้ำก็จะกลับเพิ่มขึ้นมามีมีลูกคลื่นโผล่ขึ้นมาหรือถ้ามี ปลาพุดธขึ้นมาก็น้ำที่สงบก็จะก็จะมีคลื่นปรากฏขึ้นมาจะกระเพิ่มขึ้นมาฉันใดใจที่สงบนี้จะเป็นเหมือนน้ำนิ่งแต่พอเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจจะกระเพิ่มเหมือนกับมีมีใครโยนก้อนหินลงไปในน้ำะจะเกิดมีการกระเพิ่มของน้ำมีลูกคลื่นปรากฏขึ้นมานการกระเพิ่มของใจก็จะทำให้รู้สึกไม่สบายใจ พอเกิดความอยากแล้วใจจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมีสองวิธีที่จะทำให้ใจกลับไปอยู่เป็นสุขวิธีที่พวกเราทำกันคือก็คือพอเกิดความอยากเราก็ไปทำตามความอยากกันเพราะเวลาพอเราทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวทำให้ใจที่กระเพื่อมนั้นาหายกระเพื่อมชั่วคราว ก็ทำให้เกิดเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกันเนี่ทำไมเราจึงทำตามความอยากกันเพราะเวลาเกิดความอยากเราใจเราไม่สบายแล้วพอเราได้ทำตามความอยากแล้วใจเราสบายขึ้นมา น, นั่นเองเราก็เลยใช้วิธีนี้แก้ความไม่สบายใจทุกครั้งที่เราเกิดความอยากเราก็ไปทำตามความอยากกันแต่การทำตามความอยากนี้มันไม่ ทำให้ความอยากมันหายไปมันทําให้ความอยากกลับมาใหม่พอเราทําตามความอยากได้เดี๋ยวก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเคยทําอะไรก็อยากจะทําอีกเช่นคนเคยดื่มกาแฟก็อยากจะดื่มอีกเดื่มถ้วยนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึง่งก็อยากจะเดือมอีกถ้วยหนึง่งคนสูบบุหรี่ก็อยากดื่มอยากสูบมวนนี้ เดี๋ยวก็สูบอีกมวนหนึ่งเดี๋ยวก็มีความอยากใหม่ตามขึ้นมาเรื่อยๆคนอยากจะดื่มสุราก็เหมือนกันพอได้ดื่มสุราแล้วความอยากดื่มสุราก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากดื่มสุลาก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะมันไม่สามารถระ ง, งับความอยากไม่หายไปอย่างถาวรได้ผู้ที่ค้นพบวิธีที่จะ การจัดความอยากให้มันหายไปอย่างถาวรก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เราจะต้องให้ความอยากมันหายไปก็เราก็ต้องไม่ทําตามความอยากเท่านั้นเวลาใจมันกระเพื่อมขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมามันกระเพื่อมมันมีความรู้สึกไม่สบายใจให้เราลัลางับความไม่สบายใจด้วยการทําใจให้สงบแทน ทำใจให้เป็นสมาธิกับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้าเราทำสมาธิเป็นพอใจกับเพิ่มเราก็สามารถทำให้มันหายกับเพิ่มได้ด้วยการทำสมาธิเมื่อเราใช้วิธีใช้สมาธิหยุดคามกับเพิ่มของใจเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากความอยากที่มันโผล่ขึ้นมาต่อไปมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมา พอโผล่ขึ้นมามันก็ไม่ได้อะไรไม่มีผลเหมือนกับคนที่มาขอเงินเรานี่ถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็จะไม่กลับมาขอเราแต่ถ้าเราให้เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาขออีกเวลาเงินหมดเขาก็อยากจะได้เงินเขารู้ว่าเขาได้จากเราขอจากเราได้เดี๋ยวเขากลับมาขอเราใหม่ถ้าเราให้เขาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเดี๋ยววันหลังเขาก็มาอีก เขาจะไม่มาก็ต่อเมื่อเราไม่ให้เขาอันนี้ก็เหมือนเันความอยากของเราก็เป็นแบบเหมือนกับคนที่มาของเงินเราเนี่ยถ้ามันมาขอเราเราเราไม่ให้มันต่อไปมันก็จะไม่กลับมาคนที่สูบบุหรี่เนี่ยพออยากจะสูบบุหรี่แล้วไม่สูบเนี่ยฝืนเดี๋ยวต่อไปความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปอยากดื่มกาแฟอยากดื่มสุรา อยากทําอะไรอยากเที่ยวอยากไปทําอะไรต่างๆนี่มันจะหายไปหมดถ้าเราไม่ทําตามมันอย่าที่เราไม่รู้กันก็เพราะเราคิดว่าการทําตามความอยากแล้วจะทําให้เรามีความสุขระงับความไม่สบายใจแต่เราไม่เห็นว่าทําไมมันไม่หมดเสียทีทําไมมันยังกลับมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราลาคาลเรา ไม่อยากให้มันกลับมาเราจะต้องทําคือเราจะต้องไม่ทําตามความอยากเท่านั้นเวลาใจกระเพื่อมจากความอยากมีความรู้สึกไม่สบายก็ไปนั่งสมาธิแทนทําใจให้หายกระเพื่อมด้วยการทําสมาธิดีกว่าการทําใจให้หายกระเพื่อมด้วยการทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะทําให้ความอยากไม่มีวันหมดจะทําให้ความอยาก มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการทำให้ใจมีความสุขตลอดเพราะถ้าเราทำใจให้สงบหายกระเพิ่มใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราทำโดยที่เราไม่รู้เช่นเราทำสมาธิอย่างเดียวแล้วพอเราออกจากสมาธิมา พอเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรเราก็ไปทำตามความอยากความสุขที่เราได้จากสมาธิก็จะหายไปเราก็จะไม่ได้ความสุขที่ถาวรเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเดี๋ยวเราก็ไปหาความสุขแบบนั้นแบบนี้ต่อดีไม่ทีบางทีเราก็เลิกทำสมาธิไปก็มีบางคนมาทำสมาธิได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอ ไปทำอะไรตามความอยากใหม่เดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็ไปทำตามความอยากแล้วก็ไปติดกับการทำความอยากต่างๆจนทำให้กลับมาทำสมาธิไม่ได้เนี <c> ่ย <oughs> ก็เพราะว่าไม่เจริญขั้นปัญญานั่นเองถ้าเจริญขั้นปัญญาแล้วจะสามารถที่จะทำสมาธิได้เรื่อยๆทำใจให้สงบได้เรื่อยๆ พอจะรู้ว่าไม่มีวิธีไหนที่จะดีเท่ากับการทํำใจให้สงบเป็นความความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบแต่ถ้าทําด้วยสมาธิอย่างเดียวไม่มีปัญญามันก็จะทําให้เสื่อมได้หมดได้เวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ฝืนความอยากเราปล่อยใจไปทําตามความอยากนะ เราก็จะไม่ได้กลับมาทำสมาธิทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วเราใช้สมาธิเป็นวิธีหยุดความอยากต่อไปก็จะหมดความอยากเราจึงต้องมาฝึกจิตฝึกจิตตภาวนากันมาฝึกทำสมาธิมาฝึกเจริญปัญญากันเราถึงจะสามารถที่จะสร้างความสุขที่แท้จริง และรักษาความสุขที่แท้จริงให้อยู่กับใจเราได้ไปอย่างถาวรการทำบุญทำทานการรักษาศีลนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดสู่การมาปฏิบัติจิตตภาวนาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานเราไม่ได้รักษาศีลเราจะไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติจิตตภาวนาได้ พอเราจะต้องมัววุ่นไปกับการไปหาเงินใช้เงินกันเมื่อจะไม่มีเวลาแม้แต่จะมารักษาศีลรักษาศีลห้าบางทีก็ยังรักษาไม่ได้ถ้าเรามีความต้องการเงินทองมากๆง่ายๆและเร็วๆเราก็จะมักจะไม่สามารถรักษาศีลได้นั่นนี่คือขั้นบันไดสู่การ ที่เราจะเข้าสู่วิธีหาความสุขอย่างถาวรความสุขใจอย่างถาวรนี้จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นการทำบุญทําทานการรักษาศีลนี้เพียงแต่เป็นขั้นบันไดเปิดเปิดทางให้เราได้เข้าสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะว่าถ้าเราไม่ทําบุญทําทานเราจะรักษาศีลไม่ได้ าะถ้าเราไม่ทำบุญทำทานเราก็จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันไปใช้ของฟุม่มเฟือยกันแล้วมันก็จะทำให้เราต้องใช้มากเพราะต้องหาเพราะมันพอใช้ปั๊บมันก็หมดได้มาความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองตามความอยากได้มาปั๊บมันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ต้องไปเที่ยวใหม่ต้องไปกินใหม่ต้องไปดื่มใหม่ต้องไปดูไปฟังใหม่ ก็ต <ard> anyway, si so ้องใช้เงินทองอยู่เรื่อยๆเมื่อต้องใช้เงินทองอยู่เรื่อยๆก็ต้องหาเงินทองอยู่เรื่อยๆก็เลยจะทำให้การหาเงินทองจะไม่มีเวลามารักษาศีลเพราะบางทีต้องการเงินทองแบบง่ายๆเร็วๆก็อาจจะต้องทำบาปต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างถึงจะได้เงินทองมามากๆง่ายๆเร็วๆเพื่อจะไดเอามาใช้ตามความอยากต่างๆ เราก็เลยจะไม่สามารถรักษาศีลได้เมื่อศีลห้ารักษาไม่ได้ก็จะรักษาศีลแปดไม่ได้รักษาศีลแปดไม่ได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาจะเจริญสติมานั่งสมาธิมาจเจริญปัญญามาสร้างความสงบทางใจมาสร้างความสุขทางใจที่จะเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดที่ใจสามารถเอาติดไป กับใจได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วน่าจะทําให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป น, น, นี่คือการขบวนการของการสร้างความสุขทางใจจําเป็นที่จะต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขั้นต้นเราต้องยุติการหาความสุขทางอื่นทางท่าหูจมูกลิ้นกายยุติการหาความสุข ตามความอยากต่างๆด้วยการใช้เงินใช้ทองต้องหยุดมันหรือแม้แต่ไม่ใช้เงินใช้ทองก็ต้องหยุดมันเช่นพวกที่มาถือสินแปดนี่ก็ต้องยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่จะต้องใช้เวลาเช่นไปร่วมหลับนอนกับแฟนอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้เงินทองแต่ก็ต้องใช้เวลา หรือดูละครดูข่าวดูอะไรร้องลำมทำเพลงก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้แต่ก็ยังต้องใช้เวลาจึงต้องมีศีลแปดมายุดมาหยุ ด, หยดให้หยุดกิจกรรมเหล่านี้ไม่ให้เรามาเสียเวลากับการทำกิจกรรมหาความสุขทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายกันการถือศีลแปดนี้เป็นการ เอาเวลาที่เราเอาไปใช้กับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายมาให้มาใช้กับการเจริญจิตตะภาวนามาใช้กับการทำใจให้สงบมารักษาความสงบด้วยปัญญานี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเราต้องสำรวจดูว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทำจากจุดที่เราทำได้ แล้วก้าวขึ้นไปสู่จุดที่เรายังทำไม่ได้เหมือนกับเราเรียนหนังสือเราจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนเวลาเราย้ายโรงเรียนสย้ายถิ่นฐานเช่นเราก็อยู่จังหวัดนี้แล้วเราต้องย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งเวลาเราไปอยู่จังหวัดใหม่เราไปเรียนหนังสือเราก็จะรู้ว่าเราจะไปเรียนชั้นไหนต่อถ้าเราเคยเรียนป .5 มาแล้วเราก็ไม่กลับไปเรียนปอ .5 อีกเราก็ไปเรียนป .6 ต่อ อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติการสร้างความสุขทางใจนี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือตอนนี้เราสำรวจดูว่าตอนนี้เราเอาเงินทองที่เราใช้กับความอยากต่างๆนี้มาทาบุญได้หรื อ, อยังหรือถ้าไม่ทาบุญเราหยุดใช้เงินทองไปกับการไปกับความอยากต่างๆได้หรือไม่อันนี้เป็นขั้นแรกที่เราจะต้องทา เพราะถ้าเรายังใช้เงินทองกับการทำตามความอยากต่างๆอยู่มันจะทำให้เราไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันพอเราจะต้องคอยไปหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากต่างๆเวลาก็จะหมดไปกับการหาเงินใช้เงินเท่านั้นเวลาที่จะมาเข้าวัดมาศึกษามาทำจิตใจให้สงบมาสร้างความสุขทางใจนี้ก็จะไม่มี จะทำไม่ได้นี่คือขั้นที่หนึ่งเราต้องสำรวจดูว่าเราหยุดการใช้เงินไปกับความอยากต่างๆได้หรื อ, อยังถ้ายังไม่ได้เราควรที่จะเริ่มทํากันทุกครั้งอยากจะซื้อของไม่จําเป็นก็อย่าไปซื้อถ้าอยากยังถ้ายังอยากจะใช้เงินก้อนนั้นอยู่ก็เอาไปทําบุญแทนมันจะได้หมดปัญหาไป พรถ้ายังมีเงินอยู่เดี๋ยวความอยากมันก็จะมายั่วมามาล่อเราอยู่เรื่อยแต่พอไม่มีเงินซื้อมันก็หมดปัญหาไปเอาเงินไปทําบุญแทนถ้าเราห้ามใจเราไม่ได้ห้ามใจเราเก็บเงินนี้ไว้เฉยเฉยไม่ได้เดี๋ยวอยากได้นูน่นอยากได้นี่ขึ้นมาก็จะไปทําก็อยากให้มันมีเงินใกล้มือเราเอาเงินที่อยู่ใกล้มือเรานี้ไปทําบุญแทนนี่ขั้นที่หนึ่งเราต้อง หยุดการหาเงินใช้เงินตามความอยากหาเงินใช้เงินตามความจําเป็นได้อยู่เรายังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีปัจจัยสี่เราก็หากันไปตามความเหมาะสมตามความจําเป็นมันจะทำให้เราไม่ต้องหาเงินมากมันจะทำให้เรามีเวลาเราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันมาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจ ว่าเราต้องรักษาศีลนอกจากทำบุญแล้วถ้าไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีเงินทำหรืออยากจะเก็บเงินไว้สำรองไว้สำหรับอนาคตก็ไม่ต้องทำบุญก็ได้แต่อย่าเอาเงินไปใช้กับความอยากเท่านั้นอันนี้เป็นเป็นข้อแรกที่เราต้องพยายามหัดทำกันให้ได้คือหยุดใช้เงินทองไปกับการใช้กับกับความอยากต่างๆ ถ้าจะซื้อของกระซื้อของที่จําเป็นจริงๆเช่นของมันขาดแคลนไม่พอใช้ถ้าพอใช้ก็ใช้มันไปก่อนเช่นรอ ง, งเท้ายังใช้ได้อยู่ก็อย่าไปซื้อคู่ใหม่กระเป๋าใบเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ก็อย่าไปซื้อใบใหม่เสื้อผ้าที่มีอยู่ยังใช้ยังพอใช้อยู่ก็อย่าไปซื้อใหม่เออันนี้เป็นวิธีที่เราจะต้องทําถ้าเราอยากจะเข้าสู่ การสร้างความสุขทางใจเราต้องหยุดการหาความสุขชั่วคราวกันหาความสุขตามความอยากกันแล้วจะทำให้เรามีเวลาว่เาเราจะไม่ต้องไปหาเงินหาทองมากเราก็จะมีเวลาที่จะมารักษาศีลได้เมื่อเราไม่ต้องหาเงินทองมากการรักษาศีลก็จะง่ายเหตุผลที่รักษาศีลยากก็เพราะว่าเราต้องการมีความอยากมาก อยากได้เงินทองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากเราอยากจะได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆวิธีจะได้ง่ายๆได้เร็วๆก็คือต้องโกหกกันต้องโกงกันต้องหลอกกันถึงจะได้ถ้าพูดตรงไปตรงมาเดี๋ยวไม่ได้ก็เลยต้องโกหกหลอกลวงกันแต่ถ้าเราไม่ต้องการอะไรเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่มีอะไรมาบีบบังคับให้เราต้องไปทาความแยะทาทาบาปกัน เมื่อเราสามารถรักษาสีนหน้าได้เราก็จะสามารถเพิ่มจากสีนหน้าไปสู่สีแปดได้เพราะเราต้องมีสีแปดเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เรายังจะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงแม้ว่าจะไม่ต้องใช้เงินทองแต่มันก็ยังทำให้เราเสียเวลาเราก็ต้องยึดถือสีแปดกัน ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองนอนคนเดียวไม่ได้นอนเอามาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมล้วก็ไม่ไปหาความสุขทางการดูหนังดูละครการไปเที่ยวเตรหรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆต่างๆมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกเอาเวลามานั่งสมาธิกัน มาเจริญปัญญากันดีกว่านี่คือถ้าเราสามารถรักษาสิ้นแปดได้เราก็จะสามารถมีเวลามาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญาได้นี่ก็คือขั้นตอนต่างๆพอเรารักษาสิ้นแปดได้เราจะมีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นการสร้างความสงบให้กับใจสร้างความสุขทางใจทาไมเราต้องเดินจงกรม ถาเราปฏิบัติธรรมถ้าเราต้องการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเราต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถ้าเราไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทําเราไม่ต้องไปทํางานทําการเราไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีเวลาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นจนหลับได้การปฏิบัติธรรมนี้มีหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกที่เราต้องปฏิบัติก็คือ เราต้องมีสติก่อนเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนและการสร้างสตินี้เราสามารถสร้างได้ในทุกิริยาบททุกเวลานอกจากเวลาที่หลับเท่านั้นที่เราไม่สามารถเจริญสติได้ดังนั้นเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติวิธีเจริญสติก็มีหลายวิธีเรียกว่ากรรมฐานมีสี่สบวิธี แต่ที่เราใช้กันทั่วไปแบบง่ายๆก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปการบริกรรมพุทธโธนี้จะทำให้ใจเราไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดกับถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตใจจะอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธดึงใจเอาไว้ใจจะสงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าใจไปอดีตไปอนาคต ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจะไม่มีวันสบงบนะยันเบื้องต้นเราต้องสร้างสติขึ้นมาเพื่อดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดอะไรให้รู้ว่ากําลังทํำอะไรอยู่เช่นเรากําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินกําลังดื่มน้ําก็รู้ว่ากําลังดื่มน้ํากําลังรับประทานอาหารก็รู้ว่ากําลังรับประทานอาหาร ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธดินกลับเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้ามันจะไปคิดถึงเมื่อวานนี้ไปคิดถึงพรุ่งนี้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงสิ่งนี้ก็ดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับการกระทาที่เรากาลังทาอยู่กำลังยืนก็ให้มันอยู่กับการยืนกำลังเดินก็ให้มันอยู่กับการเดิน อันนี่คือขั้นตอนแรกที่เราต้องฝึกก็คือเราต้องสร้างสติขึ้นมาเราสามารถทำได้ถ้าเราไม่ต้องไปทำงานทำการถ้าเรามีเวลาว่างเราไปอยู่วัดไปหาที่สงบไปอยู่ที่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครเพราะเวลาเราต้องยุ่งกับใครเราจะจะต้องคิดปุ่งแตนกันคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เอามาพูดมาคุยกัน ใจก็จะไม่ว่างใจก็จะไม่สงบต้องอยู่คนเดียวแล้วก็คอยควบคุมความคิดคอยดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายพอเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งเฉยเฉยถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งเต็มที่สงบเต็มที่ต้องนั่งเฉยเฉยแล้วก็ให้ใจดูลมหายใจเข้าออกหรือใช้พุโทโธ ถ้ามันไม่ยอมดูลมหายใจมันยังจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็ใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาพุทโธพุทโธพุทโธไปใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมถ้าเราใช้พุทโธก็ไม่ต้องดูลมถ้าเราดูลมได้เราก็ไม่ต้องใช้พุทโธพอเราดูลมได้เราก็ดูลมเข้าดูลมออกไปดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยถ้าไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่เต็มร้อยอยู่ที่ความสงบนี่พอเราได้ความสงบที่เต็มที่แล้วเบื้องต้นก็พยายามรักษาให้มันอยู่ให้มันสงบนานๆเวลามันอยากจะออกมาก็พยายามใช้สติดึงมันกลับเข้าไปใหม่พออยากจะลุกอยากจะไปทำอะไรก็ใช้พุทโธพุทโธต่อไปกลับมาดูลมต่อไป ทำไปจนกว่าจะไม่สามารถที่จะสู้มันได้ความอยากมันแรงกว่าก็ยอมแพ้ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิรยาบถก็ยังมาคอยควบคุมความคิดความอยากต่อไปด้วยพุทธโธด้วยการเจริญสติไปก่อนเพราะการสงบเป็นครั้งแรกนี้มันยังไม่ชำนาญเราควรที่จะฝึกสติต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอย่าเพิ่งไปทางปัญญายังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญา ตอนนี้เอากังวลเรื่องสมาธิเรื่องสติให้เรามีความชำนาญให้เราสามารถสั่งให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการก่อนพอออกจากสมาธิมาเราก็จะเริ่สติต่ออย่าให้คิดถึงอดีตอย่าให้คิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันถ้ามันจะไปอดีตไปอนาคตก็ดึงมันกลับมาด้วยพุโทโธพุโทโธถ้ามันไม่ไปก็ให้เราดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย พราวลาออกจากสมาธิมาเราอาจจะเมื่อยเราก็มาเดินจงกรมหออรือว่าถ้าเรามีงานต้องทำํำจะต้องกวาดบ้านถูบ้านทําอะไรเราก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ให้ให้รู้อยู่กับงานที่เราทําอยู่เพียงอย่างเดียวถ้ามันจะไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธไปทําอย่างนี้แล้วพอเราว่าเราก็กลับไปนั่งใหม่กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าเราชำนาญทุกครั้งเรานั่งเราจะสงบและจะสงบได้เร็วไม่เกินห้านาทีนั่งดูลมแป๊บเดียวห้านาทีจิตก็นิ่งเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะสงบได้นานขึ้นไปเรื่อยพอเรามีความชำนาญแล้วทีนี้เราก็เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาหัดใช้ปัญญา เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวความอยากมันจะหลอกให้เราไปทําอะไรพอเราไปทาตามความอยากมันก็มาจะทาลายความสงบที่เราได้จากสมาธิแล้วเราอาจจะไปทําความอยากจนติดโดยอาจจะกลับมาเข้าสมาธิไม่ได้ก็เป็นไปได้เราต้องรักษาสมาธิรักษาความสงบด้วยปัญญาเวลาเราออกมาแล้วเราอยากจะไปทาอะไร เราเก็อยากดื่มอยากดื่มกาแฟแล้วก็กลับไปดื่มกาแฟยังอยากดูละครยังกลับไปดูละครอยู่อยากจะทำอะไรยังทำอยู่เราต้องตัดมันให้หมดด้วยปัญญาสอนว่าการทำตามความอยากมันจะทาให้เราติดกับกิจกรรมเหล่านี้แล้วกิจกรรมเหล่านี้มันไม่ทำใจให้เราสงบมันมีแต่ทำใจให้เราวุ่นวายอจะทำให้ใจเราหิวเราอยาก แด้เวลาไม่ได้เราจะทำให้ใจเราไม่สบายรู้สึกทุกข์ทรมานใจถ้าเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี่เป็นภัยต่อไปเราก็จะฝืนมันหยุดมันมันอยากมีความสุขก็ให้มันกลับก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากจะดื่มกาแฟถ้าต้องดื่มเพื่อร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าเพราะร่างกายมันไม่สนใจแล้วว่าเป็นกาแฟน้ำกาแฟหรือน้ำเปล่าเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำเปล่ า, ลานี่เอง สิ่งที่ใจต้องการก็คือรสของกาแฟแต่ใจไม่ต้องควรไม่ควรดื่มรสกาแฟใจควรไปดื่มรสของความสงบจะดีกว่ารสของความสงบไม่มีพิษไม่มีภัยรสของกาแฟมันทําให้ติดนจะทําทให้ทุกเวลาไม่มีกาแฟดื่มแต่รสของความสงบนี้เราสามารถมีได้ตลอดเวลาเราจะไม่ทุกข์กับรสของความสงบเพราะถ้าเรารู้จัก สร้างความสงบขึ้นมาเราจะสามารถมีความสงบได้ตลอดเวลาเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําอย่าไปทางอย่าไปตามความอยากกลับมาหาความสงบดีกว่ากลับมาสู่สมาธิต่อไปเราก็จะฝืนความอยากได้หมดความอยากจะไม่มีอํานาจดึงเราไปอีกต่อไปใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับความอยาก ใจของเราก็จะสงบจะสบายไปตลอดตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาหาความสุขที่แท้จริงด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็เิดว่า พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกับปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจะตสัพเปปุเรนโตสังกะปา จันโทปนะหราโสยธาเมณิจดีหราโสยธาสพิติโยวิวาจานโตสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีลิตสานิจจังวุฒาปะจายโน ยะตาโรธร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางลดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามปัญหาธรรมใครอยากจะถามอะไรก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็ เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้แต่อย่ามาถามหลังใหม่เพราะหลังจากที่เลอกประชุมแล้วก็จะขอยุดติดเพราะหมดเวลาหมดแรงด้วยหมดกำลังเน้นจะถามก็ขอกรุณาให้ถามในช่วงนี้วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ทางเฟบุ๊กสามรอยี่สิบสามทางยูทูบหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดทางวิทยุออนไลน์ยสิบห้า ผู้เราฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบสามค่ะรวมทั้งหมดหกร้อยแปดคนค่ ะ, ะถ้าใครมีคำถามก็ถามได้อยากจะถามก็ขึ้นมาเราจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีใครก็จะเอาคำถามทางบ้านก็คำถามจากคุณสุภชัยค่ะกระผมรู้สึกว่าหลังจากที่นั่งสมาธิไปสักพัก รู้สึกว่าเหมือนนั่งหลับแต่ไม่สักประโกคพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วกระผมก็กลับมาบริกรรมพุทธโธต่อสักพักมีอาการเหมือนเดิมครับอยากถามหลวงพ่อว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับผมคิดว่าเป็นอาการของคนง่วงนอนใหม่ครับมันก็อาการขาดสติไงสติมันหมดก็เลยทำให้ง่วงคนที่หลับก็เพราะหมดสติแลต้องอยาก อยาจะนั่งต่ออยากจะมีสติก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเพราะถ้านั่งมันสบายนั่งเรามันสบายมันก็จะทําให้สติหมดได้ง่ายเนี่นเราต้องลุกขึ้นมาเดินเพราะเวลาเดินเราต้องมีสติถึงจะเดินได้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เดินแบบคนเมาเนี่ยถ้าอยากจะเตินสติก็ต้องเดินจงกรมก่อนถึงได้แสดงไว้เบื้องต้นว่าเวลาจะปฏิบัตินี้ต้อง จเจริญสติให้ได้ก่อนต้องฝึกสติให้มากมากฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็ค่อยพุโทโธพุโทโธไปถ้าใจจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าไม่คิดก็ให้ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปการกระทําของร่างกายไปแล้วใจจะมีสติ แล้วเวลานั่งต่อไปจะไม่มีอาการแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นอาการของผู้ที่มีสติน้อยพอนั่งสบายมันก็จะเริ่มหลับเพิ่มคำถามจากคุณพิญญาพัฒน <c oughs> ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าความรู้สึกอยากหลุดพ้นถือว่าเป็นความอยากที่เป็นกิเลสไหมคะไม่เป็นหรอกความอยากที่เป็นกิเลสมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากล่าอยากรวยอยากใหญ่อยากโตแต่ความอยากหลุดพ้นนี้เป็นธรรมะเป็นมรรคเป็นทางสู่เป็นฉันทะเป็นเป็นประโยชน์อยากได้อยากหลุดพ้นอยากทาบุญทําทานอยากรักษาศีลอยากไปวัดอยากบวชเป็นความอยากที่ดีเหมือนคนไข้ต้องอยากกินยาอยากหาหมออยากไปโรงพยาบาลถึงอยากหายป่วยได้ ถ้าเป็นคนไไขข้้เเเาาาาาาออยยยยยยังงกกกปที่ว่าาววมลลพบ็ตคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะข้อหนึ่งการให้ใจได้มาซึ่งการวางเฉยหรือการเป็นอุเบกขาต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ต้องทำใจให้เป็นสมาธิไงเพราะอุเบกขาที่แท้จริงก็เกิดจากใจที่สงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่ง ไม่ทำไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรอยู่ในความสงบแล้วจะเกิดโอเบขาขึ้นมาเราจึงต้องพยายามนั่งสมาธินานๆบ่อยๆใจจะได้มีโอเบขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆมันยังมีโอเบขาติดอยู่ถ้าอยากจะรักษาอุเบขาให้อยู่ต่อไปโดยไม่หายหลังจากออกจากสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทาตามความอยาก ถ้าอยากจะมีอุเบกขาก็อย่าไปอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอพออยากได้ปั๊บมันก็จะทำให้อุเบกขาหายไปแล้จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาก็ให้กลับเข้าไปสมาธิใหม่เวลาเกิดความอยากก็พุโทโธพุโทโธใหม่หยุดความคิดหยุดความอยากใหม่แล้วเดี๋ยวพอความคิดความอยากหยุดไปใจก็กลับมาเป็นอุเบกขาใหม่ข้อสองค่ะ การวางเฉยหรือวางอุเบกขาทางโลกกับทางธรรมแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่ต่างหรอกทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็เป็นอุเบกขาปลอมเท่านั้นเองวางเฉยแบบใจไม่เฉยปากเฉยแต่ใจอยากจะอยากจะดา่อ า, ดาอย่า ง, งี้ยด่รู้ว่าด่าไม่ได้ก็เลยต้องวางเฉยโดยมารยาทบ้างโดยอะไรบ้างแล้วแต่เหตุผลแต่ถ้าถึงเวลาปล่อยได้ก็ปล่อยเต็มที่เลย อันนี้ก็เรียกโอกเบยขาทางโลกได้อุเบยขาทางธรรมนี่มันจะเฉยทั้งข้างในทั้งข้างนอกจะเฉยไ ม, ไม่ไม่มีความอยากที่จะดา่าไม่มีความอยากที่จะไปทำอะไรกับใครทั้งนั้นเฉ ย, ยได้หมดตลอดเวลาข้อสามค่ะบางครั้งใจเรามีความอยากอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์อยากไปทำบุญ อยากไปเที่ยวหากราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เมื่อการกระทาต่างๆได้ทำไปแล้วแทนที่จะหายจากความอยากในใจกลับยังรุ่มร้อนอยากจะไปในทางทำต่างๆนี้อีกคือมันยังไม่สงบค่ะจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็ต้องไปให้มันสงบไงการไปที่ต่างๆนี้เป้าหมายก็คือไปเพื่อทำใจให้สงบ แต่ถ้าไปถึงที่นั่นต้อไม่ไปทําใจให้สงบก็ไปก็เสียเวลาเปล่าๆเหมือนอยากจะไปหาครูบาอาจารย์พอไปกราบท่านเสร็จก็กลับบ้านไปขอไปหาครูบาอาจารย์ก็ขอท่านอยู่เลขออยู่ปฏิบัติธรรมขอให้ท่านสอนให้วิธีปฏิบัติทำใจให้สงบทํำยังไงขออยู่กับท่านไปจนกว่าใจสงบแล้วค่อยกลับบ้านนี่ไปกราบปั๊บแล้วก็กลับบ้านใจยังไม่สงบพอกลับบ้านมันก็อยากจะกลับไปใหม่ มันก็ยังอยากอยู่เรื่อยๆดังนั้นการไปทำบุญการไปอะไรนี่มันเป็นเพียงขั้นต้นของการเข้าสู่กระบวนการของการไปหยุดความอยากต่างๆการทำบุญก็เพื่อที่จะได้เอาเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากมาใช้กับการทำบุญแล้วต่อไปความอยากไปอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็จะไม่มีเออมันอันนี้อย่างที่ได้อธิบายไว้ตอนต้น ดังนั้นมันมันต้องเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติทำเท่านั้นถึงจะหยุดความอยากได้การทำบุญทำทานการไปฟังเทศฟังธรรมใบกับครูบาอาจารย์มันเป็นเป็นส่วนประกอบเป็นเป็นฝ่ายสนับสนุนแต่ยังไม่ถึงตัวที่จะทำให้ใจหยุดความอยากได้ตัวที่จะทำให้ใจหยุดความอยากได้ต้องไปเนี่ยใบภาวนา ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเจริญสติพุทโธพุทโธหยุดความคิดนีแล้วถ้าได้สมาธิแล้วก็รักษาสมาธิด้วยการใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆข้อสค่ะถ้าในการทําสมาธิจิตเกิดวอกแวกแต่เราดึงจิตกลับมาแต่การดึงจิตกลับมาเราเฝือไปคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านที่เรานับถือ เราสามารถทำได้หรือไม่คะก็แล้วแต่ว่าทำแล้วจิตสงบได้หรือเปล่าถ้าทำแล้วจิตไม่สงบมันก็ใช่ไม่ได้เราต้องเป้าหมายของเราคือเราต้องการดึงจิตให้กลับมาสงบดึงจิตให้กลับมามีสติถ้าวิธีใดทำให้จิตกลับมามีสติได้ทำให้สงบได้ก็ใช้ได้ข้อห้าค่ะทำไมบางวาดัด น้ำปานะที่มีส่วนผสมของสับประรดจึงไม่สามารถถวายได้เจ้าคะคือน้ำปานะนี่เขานิญาตให้ทำมาจากผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำมือใหญ่กว่ากำมือนี้ใช้ไม่ได้สับประรดนี่มันใหญ่กว่ากำมือถ้าไปผสมกับน้ำส้มอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขานิยมเอาน้ำผลไมหล้หลายๆชนิดมาผสมกันมีทั้งสม้มมีทั้งองุ่นมีทั้งอะไร ี่ถ้าเกิดมีน้ำมีผลไม้ที่ใหญ่กว่ากำปั้นเนี่ยก็ถือว่าทำเป็นน้ำปานะไม่ได้น้ำมะพร้าวก็ไม่ได้น้ำแตงโมก็ไม่ได้คือผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นนี่ใช้ไม่ได้ขนาดผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นนี่เอามาทำเป็นน้ำผลไม้น้ำปานะได้แต่น้ำปานะนีนนอกจากบีบคั้นแล้วยังต้องกรองไม่ให้มีเนื้อด้วย ถ้ามีเนื้อติดมาก็ใช้ไม่ได้ต้องกรองออกสมัยนี้เขานิยมใส่เนื้อส้มเข้าไปในน้ําด้วยนถ้าพาจะดื่มน้ําส้มก็ต้องเอาภาคกรองกรองเอาเนื้อออกก่อนถึงจะดื่มเพราะไม่ต้องการให้ดื่มเนื้อกินเนื้อเนื้อเป็นเหมือนอาหารเนี่ยที่ให้ดื่มน้นําปานะนี้เพื่อให้บรรเทาความไม่สบายทางร่างกายไม่ได้ให้เป็นอาหาร ความไม่สบายอาจจะเป็นเพราะอิดโรยขาดสารขาดน้าตาลขาดอะไรทำให้ร่างกายรู้สึกมีอาการอิดโรยก็เลยให้ดื่มน้ำปาะนะเพื่อที่จะได้ให้มีกำลังวังชาขึ้นมาบ้างแต่ไม่ให้มีขนาดแบบกินข้าวกินแล้วอิ่มเพราะอิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนหนังท้องเตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนเลยต้องมีการแยกเอาแต่น้า นะครมันมีน้ําตาลมีที่จะพอจะให้พลังพระพุทธเจ้านอนุญาตเพสัตคือน้ําตาลน้ําพึ่งให้ดื่มเวลาที่ร่างกายอิดโรยในตอนบ่ายเพราะธรรมดาฉันมือเดียวมันก็อาจจะพลังงานอาจจะไม่พอในตอนบ่ายก็ให้เติมพลังงานแต่ไม่ให้เติมอาหารเพราะอาหารมันจะทําให้มากเกินไปจะทําให้เป็นอุปสรรคเป็นนิวรนขึ้นมาทําให้ง่วงนอน จะไม่สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้แต่ถ้าไม่ได้ดื่มน้นําปานะก็ไม่มีแรงเดินจงกรมอีกก็จะนอนอีกก็เลยต้องให้ดื่มน้นําปานะสักหน่อยให้มีน้ําตาลสักหน่อยดื่มของหวานๆเข้าไปหน่อยแล้วมีกําลังวังชาเพื่อจะได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้คําถามจากคุณสุวัตค่ะกรณีหากผู้ป่วยอยู่ในอาการโคมา่าไม่ทราบสภาพจิตเป็นอย่างไรครับ ยังจะรู้สึกตัวหรือไม่และหากผู้ป่วยที่เคยฝึกสติจนเกิดตัวผู้รู้หากอยู่ในอาการโคมา่าสภาพจิตจะเป็นอย่างไรครับตัวผู้รู้จะแยกทำงานอย่างไรครับผูบ้รู้ก็เหมือนตอนที่นอนหลับนอนหลับนี่ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของบุญกรรมเพราะตอนนั้นสติไม่มีพอที่จะควบคุมจิตใจได้ก็เลยเป็น เป็นเรื่องของบุญกรรมผู้ที่จะมาควบคุมจิตใจถ้าเป็นบุญก็ทาให้ก็จะบุญมาสนับสนุนให้จิตใจมีความสงบมีความสุขถ้าเป็นบาปก็จะมาสนับสนุนมาสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจเช่นตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไม่ดีอันนั้นเป็นเพราะว่าเป็นอำนาจของบาปที่เราทำไว้ส่งผลทำให้เราฝันร้ายฝันไม่ดีต่างๆ ถ้าเราฝันดีก็ถือว่าเป็นอำนาจของบุญที่เราทำตอนที่คนสลบคนที่คนตายคนที่อยู่ในโคม่าคนนอนหลับนี่เหมือนกันตอนนั้นจิตต้องเป็นไปตามอำนาจของกฎแห่งกรรมไปกรรมจะเป็นผู้มาควบคุมจิตในตอนนั้นแต่ตอนที่เราเตื่นนี่เรายังสามารถควบคุมจิตของเราได้ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กําลังสติของแต่ละคน บางคนสติน้อยก็ควบคุมได้น้อยยังไม่สามารถยับยั้งการทำบาปได้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางกันคนที่มีสติมากพอสามารถควบคุมไม่ให้ทำบาปได้ก็ไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางสติของแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันแต่เวลานอนหลับสติของแต่ละคนไม่สามารถมาช่วยใจได้เพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของของกฎแห่งกรรมไป พอตอนนั้นไม่มีสติตอนนอนหลับไม่มีสติตอนสลบสลายไม่มีสติตอนตายไม่มีสตินหรือตอนเมาก็ไม่มีสติถึง ห, ห้ามไม่ให้กินเหล้ากันจะได้ไม่มีจะได้มีสติพอกินเหล้าเมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นตายตามอำนาจของกิเลตตันหาไปของบุญของบาปไปใครชอบพูดคำหยาบ ก, ก็จะพูดคำหยาบออกมาใครชอบทุบตีทําร้ายผู้อื่นก็จะ อออกมมมาตตนทีี่่ไสิคำถามจากคุณกฤษกุลค่ะพันรายาเจออกุศลวิบากสามีต้องได้รับด้วยหรือเปล่าครับไม่หรอกของใครของมันนอกจากไปอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วลรถพิกคว่ำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นเป็นตกกระไดพลอยโจรไปอยู่กับโจรก็ถูกบางทีตำรวจจับเขาก็าเราจับเราเข้าไปด้วย คำถามจากทาง u t u b e ค่ะจากคุณ O H M Studio ผมยังลังเลว่าจะบวชตลอดชีวิตดีไหมครับอ๋อไม่ต้องกังวลขอให้บวชให้ได้ก่อนจะตลอดหรือไม่ไม่ต้องคอยกังวลไปคอยกังวลทีหลังขอให้บวชได้ก่อนบวชแล้วก็บอกขอให้อยู่ได้สักภรรษาหนึ่งก่อนก็พอแล้วพอพ้นหนึ่งพรรษาก็ขอต่ออีกหนึ่งรรษาขอต่อไปได้เรื่อยอย่างนี้จะดีกว่า พราะถ้าเาไปคิดตลอดบวชตลอดชีวิตนี้มันมันจะรู้สึกหนักอกหนักใจเพราะไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่างั้นเราขอทําไปตามกําลังของเราไปก่อนขอต่อที่เรพรรษาติดต่อทีลเปีไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งเวลาที่อยากจะเสดกก็บอกว่าก็ก็ยังอยู่มาได้พรรษาที่แล้วอยู่ได้ก็ต้องอีกพรรษาหนึ่งทําไมจะอยู่ไม่ได้มันก็จะต่อไปได้เรื่อยๆเองข้อสําคัญพอบวชแล้วต้องปฏิบัติถึงได้อยู่ได้ ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติเดี๋ยวใจก็ร้อนใจก็หิวใจก็อยากจะกลับไปเป็นค า, าวาสเองแต่ถ้าปฏิบัติทําใจให้สงบได้มีปัญญาสอนใจคอยหักห้ามความอยากได้ก็จะบวชไปได้ตลอดชีวิตเองมันไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจหรอกมันอยู่ที่การปฏิบัติความตั้งใจก็ดีแต่ความตั้งใจมันไม่แน่นอนบางทีมันสู้ความอยากไม่ได้ต่อให้ตั้งใจดีขนาดไหนมันก็ล้มได้ งั้นขอเมื่อบวชได้แล้วขอให้ปฏิบัติไปเถิดแล้วมันไปของมันเองถ้าไม่ปฏิบัติตั้งใจให้ดีอย่างไรเดี๋ยวมันก็ล้มคําถามจากคุณวรวัตค่ะผมต้องการที่จะเริ่มปฏิบัติจริงจังแต่ยังไ ม, ม่แม่นเรื่องปริยัติรู้หลักหลักแค่พื้นฐานผมควรศึกษาให้แม่นยําก่อนปฏิบัติไหมครับถ้าควรควรอ่านหนังสือเล่มไหนหรือรู้หลักการอะไรที่สําคัญก่อนที่จะปฏิบัติจริงจัง แล้วโฟกัสการปฏิบัติหรือควรหยุดศึกษาเรื่องปริยัติดีครับเพราะที่เคยได้ยินมาส่วนมากจะบอกว่าปริยัติไม่จําเป็นต้องศึกษามากเน้นปฏิบัติครับก็ให้รู้เท่าที่ว่าเราต้องรู้เราต้องทําอะไรปฏิบัติก็คืออะไรก็สติก็ให้รู้วิธีปฏิบัติสติศีลก็ให้รู้ว่าเราต้องมีศีลมันก็มีแค่สามข้อนี้เองศีล ส, สมาธิปัญญาที่เราต้องรู้ วิธีรักษาศีลมีศีลมีกี่ข้อก็รักษาไปวิธีทําสมาธิทําอย่างไรมีสติสร้างสติสร้างอย่างไรก็ให้รู้แค่นี้ก็พอแล้วถ้ารู้ศีลรู้สมาธิรู้สติก็ปฏิบัติได้แล้วอย่างอื่นไม่ค่อยเดี๋ยวค่อยรู้ทีหลังมันค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นดีกว่าอย่าไปเรียนจบทั้งปริญญาตีแล้วค่อยไปเริ่มเริ่มเรียนตอนหนึ่งแล้วก็อยากจะไปเรียนตาราระดับปริญญาเอกอย่าไปเรียนเป็นถึงขั้นนั้นเลย เอาระดับของปอหนึ่งไปก่อนก็แล้วกันปหนึ่งต้องทําอะไรก็ทําในขั้นของปอหนึ่งไปเราเริ่มปฏิบัติแล้วก็ให้ฝึกสติไปอย่างเดียวก่อนพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดไปก่อนแค่นี้ก็พอเพียงแล้วต่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติอีกคําถามค่ะพระที่อยู่ต่างนิกายกันสามารถไปจําวัดที่วัดต่างนิกายกันได้ไหมครับ ถ้าไปพักชั่วคราวได้อยู่เช่นมีธุระไปต้องจาลิกไปเดินทางไป จ, งจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้ววัดที่อยู่นิกายเดียวกันไม่มีก็จะไปอยู่อีกนิกายนี่เขาก็ต้อนรับเหมือนกันอย่างนงี้ยว่าเขาไม่ให้อยู่เป็นการเป็นแบบถาวร อ, อยู่แบบชั่วคราวได้เพราะอยู่แบบถาวร น, นี่มันการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันเขาก็จะเขาก็จะบังคับให้เราปฏิบัติเหมือนเขาถ้าเราไม่อยากจะปฏิบัติเหมือนเขา เาปฏิบัติแตกแยกกับเขาเขาก็ไม่อยากจะให้อยู่เพราะฉนั้นถ้าอยากจะไปอยู่วัดก็ต้องอยู่วัดที่มีการปฏิบัติเหมือนกันนิกายมีการปฏิบัติไม่เหมือนกันถึงแยกเป็นสองนิกายไปนิกายหนึ่งให้ใช้เงินจับเงินได้รับเงินได้ใช้เงินเองได้ถือเงินถือทองไปได้ดื่มนมดื่มอะไรหลั ง, ลงจากเที่ยงวันได้แต่นิกายหนึ่งวะทาไม่ได้อันนี้ก็ หรือบางทีนิกายเดียวกันแต่ละวัดก็มีกฎระเบียบที่แข่งขัดไม่เหมือนกันถ้าไปอยู่วัดป่านี่เขาไม่ให้มีมือถืออย่างนี้ถ้าเราอยากจะมีมือถือเราก็ไปอยู่วัดป่าไม่ได้วัดป่าเขาไม่ให้เราทำกิจกรรมเหมือนกับพระที่อยู่วัดบ้านทำได้มันก็มีข้อวัดปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันนั้นเราไปอยู่ที่วัดไหนเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนเขาเขาตัง้งอญาตใหอยู่ ้เเราาอยู่กับขไไดไปนๆคําถามจากคุณฟูค่ะถ้ามีการถือศีลปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานานแต่ถ้าไปทําเรื่องผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหนึ่งในศีลห้าอย่างนี้การปฏิบัติธรรมที่ทํามาตลอดจะมีผลเสียหรือไม่หรือถ้าไปปฏิบัติธรรมต่อจะเป็นอย่างไรขอรับเออก็แสดงว่าเรายังบกพร่องอยู่ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ เราก็ต้องพยายามแก้ไขจุดที่เราบกพร่องอย่าไปทำซ้ำอีกคนเรายังล้มได้เดินไปยังลื่นยังหกล้มได้อยู่ถ้าถ้าเรารู้ว่าเราลื่นหกล้มเพราะอะไรเราก็พยายามรักษาพยายามแก้ไขเราอาจจะไม่ระมัดระวังเราอาจจะประมาทเราต่อไปเราก็ต้องมีสติมีความระมัดระวังมากขึ้นต่อไปความผิดพลาดมันก็จะหมดไป คนเราไม่ได้เป็นผ้าหลังในวันเดียวนี่มันก็ต้องทําไปแล้วก็ลองผิดลองถูกไปทําผิดบ้างทําถูกบ้างแก้ไขไปตามตามตามความสามารถต่อไปมันก็จะมันก็จะบกพร่องน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่มีการบกพร่องได้คําถามจากคุณโอเอเอมอีกครั้งค่ะผมอยากหลุดพ้นต้องทําอย่างไรบ้างครับก็อย่าทําตามกิเลสเท่านั้นแหละ อย่าไปโลบอย่าไปโกรธอย่าไปหลงอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากล่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตออทำใจให้สงบท่านนี้เราก็หลุดพ้นได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไปคำถามจากคุณป๋อมแต๋มถ้าจำบทสวดอะไรไม่ได้เลยแต่ฝึกปฏิบัติเลยจะมีโอกาสบรรลุทำได้ไหมคะมีก็จำคาเดียวก็พอพุโทโธคาเดียวนะ ไม่ต้องไปสวดบทยาวบทสั้นขอให้จำแค่พุโทโธแล้วให้มันพุโทโธไปได้ทั้งวันก็บรรลุทำได้คำถามจากคุณสูในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาโยมได้ไปจงโยมได้ไปถวายจังหันที่วัดแห่งหนึ่งพระฝรั่งพันศายี่สิบกว่ามีลูกศิษย์เป็นพระและโยมต่างชาติหลายคนทั้งหลวงพ่อรูปนั้นและลูกศิษย์สุบุรีกันเกือบทุกคน วันก่อนโยมจึงตัดสินใจบอกท่านว่ามีหลายคนที่แพ้ควันบุหรี่และการสูบบุหรี่ในสัตว์ในที่สาธารณะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในไทยเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านไม่รู้เลยแต่ที่เป็นประเด็นคือหลวงพ่อท่านนั้นโกรธโยมว่าโยมพูดมากพวกคนไทยที่ไปวัดก็พูดทำนองว่าโยมผิดบางคนก็บอกให้พระสูบต่อไป โยมก็เลยเซ็งและรู้สึกหมดศรัทธาขอคาแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็มันเรื่องของการละเทสะบางทีเราไปพูดในสถานที่ที่เราไม่ควรพูดเพราะไม่ใช่ฐานะของเราที่เราจะไปพูดงั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอยงั้นเราต้องรู้จักการละเทศะสถานที่บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือเขาเป็นผู้น้อยกว่าเรา การที่เราจะไปบอกไปสอนไปสั่งคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กับเรานี้ทางาศาสนาถือว่าไม่เหมาะไม่ควรดังั้นการที่เราไปบอกพระไปสั่งสอนพระนี่ท่านก็อาจก็มันไม่เหมาะแต่มันไม่ ม, ม่มันไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะเข้าใจไหมมันความจริงก็ย่อมเป็นความจริงถูกผิดมันก็เป็นความจริงถ้าพระท่านไม่มีกิเลสใครจะมาบอกท่านอย่างไรท่านก็ไม่โกรธท่านก็ยินดีรับฟัง แต่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่ทั้งคนบอกก็มีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสเดี๋ยวก็วุ่นวายกันขึ้นมาคนบอกพูดไปแล้วก็แสงเห็นไหมก็เพราะยังมีกิเลสบอกเราอยากให้เขารับทราบแล้ว เ, เชื่อฟังตามที่เราบอกพอเขาไม่รับทราบไม่เชื่อฟังเราก็เสงนะ้นถ้าคนไม้มีกิเลสไม่มีกิเลสเวลาบอกเขาบอกเสร็จเขาก็จบเขาเขาไม่สนใจ จะทำตามหรือไม่ทำตามเรามีหน้าที่บอกก็บอกไปเท่านั้นเองก็ไม่เสงไม่มีปัญหาอะไรคนฟังถ้าไม่มีกิเลสฟังก็ฟังไปแล้วก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่โกรธเขาอยากจะพูดก็ปล่อยเขาพูดไปฉันอยากจะสู่บุรีฉันก็สู่ของฉันต่อไปก็เท่านั้นเองไมนจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่เราคนก็มีมีมีทิฏฐิต่อกันมันเลยมีปัญหาคนพูดก็อยากจะแสดงความรู้ ความฉลาดให้คนฟังพอคนฟังฟังแล้วก็ไม่พอใจเพราะไม่คิดไม่ควรจะพูดอย่างงี้เพราะคิดว่าเป็นคนที่ไม่ควรจะพูดมันก็เลยทำให้เกิดมีความไม่พอใจขึ้นมาทั้งสองฝ่ายดังนั้นกลับมาดูที่ใจเราดีกว่าว่าเร า, าพูดด้วยธรรมหรือพูดด้วยกิเลสถ้าพูดด้วยธรรมมันจะไม่เสง ถ้าถ้าเซงก็แสดงว่าพูดด้วยกิเลสงั้นต่อไปก็อย่าพูดเอามาเป็นบทเรียนคำถามจากคุณเหมียวค่ะเวลาที่ฟังเทศของท่านแล้วก็นั่งสมาธิจิตรู้สึกได้ถึงความสงบตรงนี้ถือว่าเกิดเป็นบุญแล้วหรือไม่คะก็เป็นบุญส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เป็นบุญเต็มที่จิตยังไม่สงบเต็มร้อย อาจจะสงบสิ2เอร์เนยี่สิบเปอร์เซนก็ได้บุญสิบเปอร์เซนยี่ิเปอร์ซนตไปเอาคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามจากคุณวิค่ะกราบเรียนถามท่านขุนทาขุนน้ำนางนอนเวลาเขาถ่ายรูปมาตอนมีข่าวเหมือนมีวิญญาณเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรจะมีวิญญาณจริงหรือไม่เจ้าคะอันนี้เก็เป็นเรื่องของการถ่ายรูป ก็ดูไว้เฉยๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าเห็นอะไรถ้ายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็อย่าไปเหมาว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงที่เราเห็นมันก็เป็นแค่รูปเท่านั้นเองแล้วรูปมันก็มีของอะไรที่เราอาจจะอธิบายไม่ได้ก็ถ้าเราอาธิบายไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอธิบายก็รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบบกหามอย่าเอามาคิดให้หนักอกหนักใจรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็จบ